วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ําเดือนสองวันเพ็ญหน้านี่ก็คงจะเป็นวันมาค่าบูชาอะไรต่างๆวันแรมแปดค่ําเดือนสองเมื่อวานก็มีครูบาอาจารย์จะนิมณ์ไปพูดไปประชุมเกี่ยวกับหนังสือหยดน้ําบนใบบัวของหลวงตาเนี่ยนะ่ะเดี๋ยวนี้คณะครูบาอาจารย์ทั้งจังหวัดทั้งปรฐมมัธยมประชุมกันที่จะ เอาหนังสือหยดน้ําบนใบบัวที่จะแยกออกมาเป็นบ ท, บทแล้วก็จะสอนตั้งแต่ปถม6จนถึงม6ว่า ง, งั้นเถอะเป็นเจนิมวลฝ่ายพระไปด้วยแล้วก็ครวาคครูบาอาจารย์นจะมารวมกันแล้วก็คงจะประชุมกันจะเอาหนังสือหยดน้ําบนใบบัวของลุงตาสอนในจนังหวัดบุรีรก่อนแต่นี้มาพิจารณาดูแล้วการที่จะ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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติจิตภาวนาไม่เคยภาวนาสเสลยไม่เคยนั่งสมาธิสเสลยเนี่ยจะมาสอนเรื่องสมาธิจะมาสอนเรื่องปัญญาเนี่ยวิธีการปฏิบัติมันไม่ใช่ของง่ายๆนะมันเรื่องอยากพอสมควรอยู่ะฉนนั้นครูสอนศีลธรรมเนี่ยมันต้องเอามาอบรมซะก่อนแต่ตาไม่ยิงถ้าหากเป็นไปได้ก็อย่างว่า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 ไปบ้านผือไปที่ไหนเขาก็ไลไปเรื่อยแต่คนนี่มีแต่ดูแผนที่เฉยๆไม่เคินไปคนหนึ่งมีแผนที่ด้วยแล้วก็เดินไปด้วยตามแผนที่เรียกว่าประสบประการคนที่เดินไปกับคนที่มีแผนที่อยู่ในมือเนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยมันต่างกันเลถ้าว่าคนที่มีแผนที่เนี่ยคนนเอ้ยไม่ใช่หรอกมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันไม่น่าจะมีคลองมันว่าเอาอย่างนั้นล่ะ ไอคนที่ดูแผนที่ไม่เคยไปนี่ก็เฉแล้วว่างั้นแต่ใช่น่าจะเป็นอย่างที่เขาว่านะไม่น่าจะเป็นอย่างงั้นแต่คนที่ไปเนี่ยตามเหตุการณ์ไปตามแผนที่เนี่ยไปด้วยเออมันเป็นยังไงภูมิประเทศไปยังไงตรงไหนเป็นป่าตรงไหนเป็นดงตรงไหนเป็นโคกเป็นแพะตรงไหนมีโขดหินตามลายทางไปเขาจะรู้ได้นี่แหละคือทางฝ่ายปริยัตและกัปฏิบัติปริยัตและปฏิบั ต, ติต้องไปพร้อมกันไปด้วยกัน แังนั้นเรื่องที่จะเอาครูบาอาจารย์สอนทางธรรมะทางภาคปฏิบัตินี่มันไม่ใช่ของง่ายๆนะพีรนาดูละแต่ถึงยังไงถ้าถึองจะ ง, ง่ายจะยากมันก็ต้องสอนกันนะอันดับแรกก็ต้องสอนให้เชื่อซะก่อนศรัทธาคือความเชื่อตายแล้วเกิดนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงใครทำกรรมมันไดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นอันนี้ต้องสอนให้เชื่อไว้ก่อน การที่จะเชื่อไว้ก่อนนี่จะทำยังไงอันนี้มันก็ต้องอยากอีกเหมือนกันนะจะต้องฝึกหัดจิตตภาวนาถ้าจะให้เชื่อจริงๆก็คือเนี่ยนัน่งภาวนาทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งจนเกิดความรู้ความชำนาญขึ้นในจิตใจความเชื่อมันจึงจะมั่นคงแต่ถ้าว่าได้ยินแต่เขาพูดเหมือนกับมันก็เป็นทิษฎีอีกอย่างเก่านะั่นะ่ะมันก็ไม่มั่นคงอีกอย่างเก่า เพราะนั้นเรื่องการสอนพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ของสอนง่ายๆาศาสนาไม่ใช่คาดคะเนไม่ใช่เดาไม่ใช่ประมาณการพระพุทธเจ้าจะว่าผู้ปฏิบัติเท่านั้นพอจะรู้ได้แต่ถ้าไม่ปฏิบัติรู้ยากตีพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้เนี่ยท่านไม่ใช่ว่านั่งอยู่ในเวียงในวางแนหะคาดคะเนเอาไม่ใช่อย่างนั้นท่านไปบําเพ็ญอยู่ทั้ง6ปีอยู่ในป่าลมลุกคลุกคานหลอดลมหลอดตาย อดอาหารถึง49วันบำเพ็ญศปะทุกอย่างในศาสนาอื่นในยุคนั้นเขาทํายังไงพุทธองค์ทําอย่างนั้นจนได้ตัดสรู้รมสรุปแล้วก็คือบําเพ็ญทางจิตตะภาวนาทางจิตใจทางนามธรรมาไม่ได้บําเพ็ญทางลําบากกายแต่บําเพ็ญทางจิตแต่ว่าถึงยังไงก็เถอะการบําเพ็ญทางจิตมันก็ต้องกายวายาต้องประกอบไปด้วย แต่ถ้ า, าว่าเราจะบำเพญ็ญแต่ทางจิตอย่างเดียวไม่บำเพญ็ญทางกายด้วยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีส่วนแต่ก็ไม่ควรจะเกินไปคือส่วนกายก็พิจารณาหรืออดอาหารอย่างนี้หรือรักษาศินแปรอย่างนี้คือมันให้เขย่ากายให้กายมีความรู้สึกใจจึงจะรู้สึกเออมันเกี่ยวเนื่องกันไนดะ้กายวาจาใจเลยเออมันต้องอาศัยกันแต่ชําระก็คือชาระใจเนทะ่านี้ แต่ส่วนกายนั่นก็ต้องแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติแต่ว่าส่วนใจนั้นไม่ทางว่ายังมีกิเลสอยู่ก็จะต้องไปเกิดพบน้อยพบใหญ่เกิดเป็นห ม, ũ, เนหมูเป็นม้าเป็นวัวเป็นปายเป็นช้างเกิดไปได้ทั้งหมดระวางนั้นเถอะแต่ถ้าหาว่าคนสรางบุญสร้างกุศลมีบุญกุศลในจิตในใจก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยก็เป็นมนุษย์จากนั้นก็เป็นเทวบุตรเท ว, วดาอินพรหมไปเรื่อยโดยบุญกุศลที่พาไป สรุปแล้วก็คือกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่บางคนก็บอกว่าทำไมเขาตายแล้วทำไมจึงไม่มาบอกมันมาบอกไม่ได้เหมือนกับเรานั่งทีเดียวนี่สง่งจิตไปหากันเลยใชว่าข้าคิดเรื่องอะไรทั้งที่เห็นกันอยู่คิดเรื่องอะไรไม่ยังรับไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะมันไม่มีเครื่องมือเพราะมไม่มีสมาธิมันไม่มียาทัศนะ ถ้ามีย า, าณทัศนาแล้วจะรู้ได้วันคนนั้นคิดเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ภาษาวกท่านรู้ได้เพราะท่านมียานท่านมีเครื่องมือถ้าพวกเราอยากจะรู้พวกเราก็ต้องเตรียมเครื่องมือเอาไว้เหมือนกับเขาเปิดสถานีวิทยุนะั่นแหะถ้าเราไม่มีเครื่องมืออย่างนี้แหละนั่งอยู่ไม่ได้ยินอะไรแต่มีเครื่องมือขึ้นมามีวิทยุรับขึ้นมามันกดเสียงดังขึ้นมาเนะ่ยเขาเปิดที่ไหนสถานีไหนเขาพูดอย่างไรเราก็รู้ได้ อันนี้แปลว่ามีเครื่องมือเพราะฉะนั้นเครื่องมือในทางพุทธศาสนาเนี่ยคือสมาธินี่แหละคือเครื่องมือเแต่มันสมัยยุคนี้สมัยนี้นการเชี่ยวชาญหรือว่าการชำนิชำนาญในการธทำหรือ่อบุญวาสนาบารมีเออมันหลายๆอย่างบุญบารมีสัพรพสัต์ทั้งหลายก็ร่อยหลอลงไปไม่เหมือนยุคนั้นยุคนั้นเป็นคนที่สั่งสมบุญบารมีมาพร้อมที่จะได้ตัดสู้รม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 นางกินจามนาวิกหาเรื่องใสพระพุทธเจ้าก็มีรักษาพวกคนอื่นที่ประสบอีกเรื่องคนฆ่าคนตีมีต่้งเยอะแยะในยุคสมัยนั้นถ้าจะว่าไปยุคสมัยนี้ยังไม่ทารุนถึงยุคสมัยนั้นอีกต่างหากว่างั้นแต่คนดีก็ดีจริงแต่คนเลวก็เลวว่างั้นเถอะเพราะนั้นโลกมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งเลวมีทั้งดีนั่นะเกิดมาพบไดชาติใดพวกเราจะต้องได้พบได้เจอ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 ที่เราจะทำให้ดีกว่านี้เราเราจะทำยังไง เ, เราต้องสร้างให้มากกว่านี้ท่นีเดืองรักษาศีลอย่าประมาทอย่างวันนี้เป็นวันพระอย่างเนี้ยควรจะรักษาศีลวันแปดค่ำสิบหาค่ำรักษาศีลไหวพระสวดมนต์ทำจิตทำใจของตนให้ดีให้มีเหตุมีผลสิ่งไหนที่เป็นกรรมชั่วอย่าไปคิดทำนั่นแหละเรีว่าประครับประคองกายวาจาใจของตนให้ดีต่อไปภายภาคหน้ามันจะดีเอง ถ้าเรารักษาปัจจุบันให้ดีแล้วนะแต่ถ้าว่าเขามากัดขาเราเราก็ไปกัดขาเขาหมากัดขาเราเราไปกัดขาหมาเราก็ยิ่งชั่วกว่าหมาไป อ, อีกเราต้องรู้จักเราต้องแบ่งแยกให้ออกว่าเป็นยังไงเหตุและผลเป็นยังไงนั่นแหละนี่แหะการเกิดมาพบพุทธศาสนาท่านได้สอนให้มีปัญญาให้ใช้ปัญญา น, นั่นแหะดังนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทให้สังสม บุญกุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเราให้มากๆไม่ถึงร้อยปีละ่ะต่างคนก็ต่างไปแล้วถึงจะรักถึงจะเกลียดถึงจะโกรธถึงจะพออกพอใจไม่พออกพอใจยังไงก็เถอะต่างคนก็ต่างไปทั้งนั้นแหละไม่ได้ไปด้วยกันเราเกิดพบหน้าชาติหน้าก็เอา้าว่ากันใหม่อีกถ้าเรามีบุญวาสนาบรารมีก็เอา้าพบคนดีต่อไปถ้าเราไม่มีบุญวาสนาบรารมีเกิดมาพบนี้ชาตินี้เราไม่ มีแต่ทำกรรมชั่วมีแต่คิดกําชั่วมีแต่คิดอยากจะให้เห็นเขากัดเราก็กัดขาเขาเนี่ยวนในสุดมันก็พันกันอีหลุงตุงนางไปอย่างนั้นเกิดพบหน้าชาดหน้าไปเจอกันอีคนไม่ดีเพราะนั้นเราต้องการอย่างนั้นไหมถ้าเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราก็พยายามถีบตัวของเราออกสร้างคุณงามความดีทําใจของเราให้มีเหตุมีผลให้จิตใจของเราเบิกบานให้จิตใจของเรามีคุณภาพมีคุณธรรมบําเพ็ญใจของเรานั่นนหะ นี่แหละคือการสร้างบุญสร้างกุศลใส่ตัวของเราพระพุทธเจ้าพระรหันสาวกแต่ละภพแต่ละชาติแต่ถึงยังไงยังไงก็ต้องเจออย่างนางปัตตายจาราอย่างนี้แต่งงานก็ไปแต่งงานกับคนใช้ไปได้เสียกันพ่อแม่ก็ไล่ออกจากบ้านหนีออกไปอยู่ในชนนบทต่อมาก็มีลูกพอมีลูกคนนึงคิดว่าจะกลับบ้านจะมาคลอดลูกที่บ้านผลที่สุดมาออกลูกครึ่งทาง สามีตามมาทันกลับไปอีกไปอยู่ด้วยการอีกต่อมาอีกลูกคนที่สองพอจะคลอดลูกคิดถึงพ่อกินแม่กลับมาถึงอีกมาถึงทางสามีก็ตามมาอีกพอมาถึงครึ่งทางทีนี้มาคลอดลูกพอคลอดลูกเสร็จแล้วเวลาฝนตกพอดีเมฆตั้งขึ้นขนานหนักเลยไอ้สามีก็เดินเข้าไปซุ่มซ่ามเข้าไปเพราะกลางคืนไม่มีไฟฉายเด็กก็ไปตัดเอาไม้มาเพื่อจะรองให้ เมียตัวเองคลอดลูกฝนก็ตกเดินเข้าไปในจอมปวกไอ้จงอางก็อยู่ที่นั่นมัน้งเลยฉกซะสามีก็ตายตัวเองก็คลอดลูกอยู่ในกลางป่าหลับตาดูก็แล้วกันว่าจะทนทุกข์ขนาดไหนบ้างั้นเถอะทางลูกน้อยอีกคนหนึ่งจากนั้นก็อุ้มลูกน้อยด้ทั้งกบลูกคนหนึ่งด้วยอุปกรณ์ผ้านุ่งห่มก็คงจะไม่มีแต่ฝนที่สุดพอสว่างขึ้นมาเลย เอ้พ่อของเจ้าไปทางนี้เนี่ยไปทางไหนพอไปเห็นน้อยนอนตายแล้วมูจงอางฉกงูเห่ามันฉกตายแล้วคนนี้จะทํำยังไงนางก็อุ้มลูกน้อยที่เกิดใหม่ในคืนนั้นกับลูกชายเดินไปในฝั่งแม่นม้ําที่จะข้ามแม่น้ํา ม, มาเจรวดีมันฝนตกในคืนนั้นน้ําก็เอือขึ้นมาเอือขึ้นมาก็เลยเอย๊จะเอายังไงจะเอาข้ามยังไงอุ้มลูกคนโตไปก่อนแล้วเอาลูกคนที่เกิดใหม่เอาไปฝั่งนี้ว่างั้น เอาผ่านปูใช่เปล่ให้มันนอนอยู่อุ้มไปทางนู้นพออุ้มไปทางนู้นน้ําก็ลึกพอสมควรนะงั้นคงจะข้ามได้พอลูกคนที่หนึ่งไปวางไว้ฝังข้างนู้นก็เดินมาพอมาถึงกลางลำธารเนนะ่ยกลางน้ํำไนอะ้เหี้ยวตัวบักใหญ่ไนะอ้แย้งมนะ่มันก็เห็นว่าเป็นชิ้นเนื้อไอ้ลูกที่มันแด่วเด่ยด่ดดอยู่อันข้างหนึ่งนะสีแดงไนะอ้แล้งก็โตมาก็โฉบแล้วงั้นเลยลงมาจะมาขยุ่มมอง ไอแม่ก็ร้องตบมือจอาจุดอย่างเงี้ไล่ไล่เหยียวนะมัอยู่กลางน้ําน่ยมันไม่หยุดแล้วเหยื่อมันก็โฉบปุ๊บมันเหมือนกับมันว่าชิ้นเนื้อน่ะไอลูกชายตัวที่อยู่ข้างนี้เขาคิดว่าแม่เรียกใช่ไหมมันก็ไม่รู้จั ก, กว่าน้ําคืออะไรมันก็วิ่งเข้าไปหาแม่มตกจุ่มลงไปในน้ําอีกเออลูกคนนั่นก็เหยียวเอาลูกคนนี้ก็ตกน้ํา ทีนี้ก็โดดมางมหามก็ไม่เห็นแล้วลูกนันก็ไปละไหลไปตามน้ํามันน้าไหลสัดไปละนางก็เดินข้ามฝั่งมาครัแปลว่าผ้าพอ่อนเนี่ยหลุดลุ่ยไปหมดแบบนั้นเถะเป็นบ้าอะไรเสียจิตอย่างแรงแบบนั้นเถอะโบนสุก็เดินเข้ามาในกรุงสาวัถีเดินเข้ามาว่าถามว่าเป็นยังไงพ่อแม่ของเศรษฐีชื่อนั้นสบายดีอยู่เหรอถามคนตามทางแลาเศรษฐีคนนั้นเน่ยเมื่อคืนเนี่ยตึกถล่ม ทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกชายตายแล้วว่า ง, งั้นก็เป็นใครอีกเป็นพ่อเป็นแม่ของตัวเองอีกเป็นพี่ชายของตัวเองอีกตายแล้วโอ้ท่า น, นั้นแล้วแปลว่าหมดอะไรตายอยากเป็นชีวิตเลยแก้ผ้าเลยแต่นี่ก็เจิดกระเจิง เ, เข้าไปอย่างดีเข้าไปปัสสาเชิตะวันมหาวิหารพุทธเจ้ากําลังนั่งเทศอยู่นางก็แก้ผ้าเดินโถงเถงเข้าไปว่า ง, งั้นประชาชนเห็นมึงจะมาทำไมอีพี่บ้า เขาก็จะ อ, อกก้อนดีดไล่ขว้างพราะพุทธองค์ท่านรู้แล้วบอกว่าอันนี้คือสาวกในสาวิกาของเราแปลว่าจิตใจวิปลิตเพราะว่ามันเรื่องประทังเข้ามาอย่างแรงรพุทธองค์บอกว่าเอ้ยอย่าไปไล่บอกให้เขามาบอกเขามาเข้ามาเ ข, าม า, เขามานี่เมื่อพุทธองค์เรียกอย่างนั้นอุบาสกคนหนึ่งก็เลยเปลื้องผ้าผ้าเบียงสบายของตัวเองโยนให้นางได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นนางก้เกิดความละอายเลยนั่งฟุบลงเลยทีนี้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 ถ้าไม่ได้เจอวพระพุทธเจ้าคงจะเสียศูนย์ไปใหญ่พอมันดีมันก็ดีมาแล้วมันชัว่วมันก็ชั่ว ม, มาแล้วจะเอาอะไรให้มันขึ้นมาได้อย่างไรปัจจุบันเดี๋ยวนี้มีประโยชน์ถ้าทําปัจจุบันดีอนาคตก็จะดีเพราะฉะนั้นทําใจให้ดีขณะ น, นี้นางก็มีสติในเดียวนั้นพระเทศให้ฟังพระเทศฟังก็ขอบวชในพุทธศาสนาจากนั้นก็ได้ไปบวชติกษุนีพอบวชเข้ามาแล้วบําเพ็ญภาวนา อย่างต่อเนื่องพรเห็นโทษล่ะนางภาวนาแล้วไปแบกเอาน้ํำวันที่ท่านได้สาเร็จนะไปแบกเอาน้ํนนนะาตุ่มหนึ่งพอแบกเอาน้ําคือตามปกติแขกเนะี่ยมันเอาน้ําเทินหัวด้วไม่เทินหัวก็แบกใส่บาวกันเถอะตุ่มน้ำนะไม่ได้หาบเหมือนเราพอมาตั้งตุ่มน้ําลงไปแล้วก็เทน้ําลาดเท้าตัวเองล้างเท้า ว, ว่างั้นเถอะพอนางเท้าไหลไปพอเทอีกขันที่สองไหลไปยาวไปอีก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 เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายได้เป็นพระรหันในขณะที่เอาน้ำล้างเท้าอันนี้แหละประวัติของนางปติจาราจากนั้นพุทองค์ก็ได้รับเอธัตคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านรักษาพระวินัยนางปติจาราเป็นผู้เลิศนั่นแหละขนาดมรรคผลนิพพานของท่านยังมีนะจะได้สําเร็จพระรหันในชาตินี้แท้ แมหันต่ทุกทุกอันยิ่งใหญ่จังมาก น, นํานางปต่าจาราที่เป็นลูกเศรษฐีขนาดนั้นแหละไม่ต้องพูดถึงพวกเราเราท่านทันพวกเราที่อยู่ที่นี่ถึงจะทุกยากขนาดไหนก็เแต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงนางปตตาจาราที่พูดในพระไตรปิฎกที่เป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าของเรา แต่ถึงอย่างไรก็เถิดถึงอย่างไรก็ปราถนาอยจะให้มันถึงขนาดนั้นเถอะพวกเราถ้าไม่อยากจะให้ขนาดนั้นพวกเราก็ตั้งต้นตั้งแต่บัดนี้คนชั่วคนดีคนมีคนจนมันเป็นมาอย่างนั้นะตั้งแต่ไหนแต่ไรคนนั้นถึงใครจะชั่วยังไงข้าพิจารณาต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมอยู่ในจิตในใจพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งทั้งชาตินี้และชาติต่อไปละ่ะ แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ปรับตัวของเราทำแต่กรรมชั่วชตาลามกเนะีมันก็อย่างว่านั่นนะ่ะอยากจะให้แต่คนอื่นดีไม่มองตัวเองในวันนี้ก็ได้พูดยาวนานแล้วนะพวกกูบาหิ้วเขาไปแห้งแนละ้วมั้งหลวงพอมีแต่ว่าวอวเอจไว่าอีก